อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิท ย, ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะเราก็นํารายการธรรมารัป ร, รุณกลับมาพบัท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยแหะค่ะเราพบกันในเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่12สิงหาคมพุทธศักราชส5 5พนะคะวันนี้เป็นวันแรม10บ่ําเดือน8ค่ะวันนี้เป็นวันสําคัญของประสงนกรยชาวไทยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลที่จะเฉลิมฉลอง เฉลิมพระชนมพัรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุร ikit พระบรมบราชินีนาฏซึ่งพระองค์ท่านมีพระชนมพันศาครบ80พรรษาในวันนี้นะคะซึ่งสําหรับการพบกันในรายการธรรมารัปรุณนั้นก็ขอนํำท่านฟังทางบ้านนะคะมากราบน้ำพระสการพระอาจารย์ไพบูลอภิพุพโนโ อ, อพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมฤกเล้นตามพุทธวจนะขอ ง, ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วเราก็จะมารับฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโรพระอาจารย์ของเราได้สากัะชา้าหรือว่าพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณของแม่กันนะคะเพราะวันนี้นอกจากจะเป็นวันเฉลิมพระจุมพรนษา80พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏแล้วก็ยังถือว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะกราบนะวัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญผานสาทุเจ้าค่ะ พระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขอกราบนิมนต์ให้พระอาจารย์ได้อาสาธยายนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณของแม่ตามที่องค์พระสามาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาสั่งสอนแล้วก็ชี้แนะไว้เจ้าค่ะว่าว่าพระคุณของแม่เนี่ยเรารู้ว่ายิ่งใหญ่แม่เป็นเหมืพรมของลูกต่างๆลูกต้องปฏิบัติอย่างไรต่อแม่บ้างเจ้าคา่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะันนี้พระเจ้ายกย่องไว้มากเลยทีเดียวาาเกี่ยวกับเรื่องของมาดาบิดาคือเอ า, เอาแค่คําเรียกก่อนก็พอ S <S พูดถึงมารดาแล้วก็บิดาคือคือในภาษาไทยเนี่ยเราพูดว่าพ่อแม่พ่อแม่ใช่ไหมในภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้คำว่าแม่พ่ออแม่พ่ออคือมารดาบิดาใช่ไหมแม่พ่ออพูดตามบาลีไปแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นเป็นพรหมของบุตรเป็นพรหมนี่คือพรหมนี่คือผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูเป็นผู้ที่คอยให้ความคุ้มครองความเอาใจใส่พวกนี้ น า, นามาบิดาเนี่ยยังเป็นแดนเกิดของของบุตรนักบุิชาบอกว่ากายของเราเนี่ยมีบันดาบิดาเป็นแดนเกิดจะเจริญขึ้นด้วยข้าวสูกและขนมสดนี่ก็เรากินอาหารมันถึงโตขึ้นม า, านแล้วก็มีบันดาบิดาเป็นแดนเกิดทีนี้มารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้ที่อุปการะบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายที่เราโตมาได้นี่นะทีเราโตมาเป็นคนได้นะคุณตือนใจเพราะว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นคนคอยดูแ ล, แลเลี้ยงดู นะตอนที่คุณป่วยตอนเด็กๆคุณลองให้งองแง่เนี่ยใคราพาไปหาหมอนะหรือว่าตอนที่คุณนอนจมกองมูดกองกูดของตัวเองอยู่เนี่ยใครเป็นคนเช็ดให้น ะ, น ะ, ะหรือว่าวันเด็กที่ผ่านมาสมัยเด็กๆใครเป็นคนพาคุณไปเที่ยวนะก็เป็นผู้ที่มันดาบิดานะเป็นคนที่พาไปนะตรงนี้เรากำลังพูดถึงโดยกรณีทั่วไปนะนี <c oughs> ่ว่ามันดาบิดาเป็นคนเลี้ยงดูเราม า, าทีนี้ว่ามารดาบิดาเนี่ยมีพระคุณมากนะพระคุณมากขนาดที่เรียกว่า ไม่สามารถที่จะตอบแทนด้วยการที่เอาอะไรต่างๆให้ได้เลยนะพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างถึงว่าเอางี้คุณเอาของที่มีค่ามากๆที่สุดในโลกนะซึ่งตอนนี้มันหาไม่ได้นะเช่นแก้วมณีแก้วมณีเนี่ยเป็นรัตนะที่สว่างสวัยมากคือพูดถึงทรัพเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดินะนะไม่แน่ใจว่าเราอาจจะยังไม่ได้เคยพูดในรายการนี้ ที่พระเจ้าพูดถึงทัพย์เอย่างที่จะมีมาเฉพาะกับพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้น <Okay. S 2> แตพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นบุคคลที่มีบุญญาธิการมากสามารถครอบครองพื้นแผ่นดินนี้ได้ทั้งหมดทั่วโลกเลยนะมีพระเจ้าจักรพรรดิอง์เดีย <Okay. S 2> วครอบครองได้หมดอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยก็มีแต่ละชาติก็มีแต่ละกรรษัตริย์แต่ละประธานในที่ประชุของแต่ละคนแต่ละท่านใช่ไหม <Okay. S 2> ก็จะไม่ได้มีใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนเดียวที่เราเห็นอเมริกานี่เขาก็ไม่ได้มีอำนาจยิ่งใหญ่ไปหมดจริงๆก็ยังมีบ้างนี่ น, นหน่อยๆนะ S <S <S แต่พระเจ้าจักรพรรดินี่ใหญ่จริงๆใหญ่ที่สุดนะก็จะมีทรัพย์สมบัติที่มาคู่กับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเขาเรียกว่ารัตนะเจอย่างนะรัตนะเจอย่างเนี่ยเป็นของที่หามีได้เฉพาะในสมัยที่มีพระเจ้าจักรพรรดินั้นนะหนึ่งในอย่างนั้นเราพูดถึงมณีแก้วก็ได้ะนะมณีแก้วเนี่ยเป็นเหมือนกับในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีเพชรเนี่ยนะเพชรเนี่ยเขายกย่องกันว่าเป็นของที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยนะเพราะว่าด้วยความแข็งของมัน ความแข็งของมันความหนาแ น, น่นของมันเนี่ยจึงทําให้มันสามารถที่สะท้อนแสงได้มีกําลังการสะท้อนแสงได้มากที่สุดเนี mm ่ย hmm. ทาให้เขาเลยนิยมเจดินัยเพชรเป็นเรียมเียมเยมเรีย ม, เ, ย ม, เ, ยมเนี่ยเวลาสะท้อนแสงมันปุ๊บโอ้โหแวววาวมากเลยผู้หญิงแต่ละคนนี่ก็จะชอบความแวววาวของเพชรนี่มากนะ <Okay. S 1> ไปหาซื้อมาใส่อะไรกันเนี่ <Okay. S 1> เพราะด้วยความที่มันแวววาวด้วยความที่มันสามารถสะท้อนแสงได้ด้วยความที่มันมีความแข็งของมันทีนี้มันนีแก้วเนี่ยนะโอ้สุดยอดกว่านั้นอีกนะสามารถที่จะ ดึงแสงเนี่ยจากที่มีแสงน้อยๆเนี่ยนะความสะท้อนแสงมันมากจังทำให้มันสว่างขึ้นมาได้อืกอย่างเพชรเนี่ยเราไปในที่มืดๆหรือมีแสงน้อยๆเนี่ยมันก็ยังส่องวับๆนิดๆหน่อย ๆ, ๆใช่ไห ม, ม แ, ตแต่แต่มันีแก้วนี่นะโอ้สว่างไสวสว่างชดช่วงขึ้นมาเลยนะ<ช>พระเจ้าพระเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่ามีพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งเนี่ยต้องการจะทดสอบมันีแก้วก็เลยเอามันีแก้วเนี่ยประดับที่ยอดธงของกองทัพของตัวเอง เราก็เคลื่อนทับไปในเวลามืดของกลางคืนนะปรากฏว่ากลางคืนเนี่ยเป็นกลางวันขึ้นมาชาวบ้านคิดว่าตอนเช้าแล้วตื่นขึ้นมาลุกกระทําการงานนันขนาดนั้นเลยนะด้วยความด้วยความที่มันมีคุณสมบัติมากขนาดนี้ น, นี่เราจะพูดถึงอีก7อย่างซึ่งโอ้โหด้วยบรรยายกันเป็นหน้าหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะ่นะแต่รัพย์เจอย่างนี้ความละเอียดลึกซึ้งของมันนะนเอาเป็นว่าเราหาทรัพย์เจอย่างนี้มาซึ่งไม่มีในสมัยปัจจุบันเอามาให้พ่อแม่ของเราแล้วก็ยกสถาปนาขึ้นเป็นท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรด คุณยังไม่สามารถใช้บุญคุณได้หมดเลยอยค่ะ น, นี่อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่เคยเห็นทรัพย์เจ็อย่างนี้ของที่หาไม่ได้ในโลกคุณพยายามจะไปหามาจนหาเจอเอามาให้ยังชดแชนบุญคุณได้ไม่หมดขอโทษเถอะสมัยนี้ไม่มีนะค่ ะ, ะหรือหรือพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เอาพ่อแม่เนี่ยไว้บนบ่าซ้ายบาขวาของตัวเราเองนะเราก็ให้ป้อนข้าวป้อนน้ําให้อุจจาระปัสสาวะใส่อาบน้ําบนนี้เลย นะแล้วก็อประครบประงมนวดดูแลทุกอย่างเป็นเวลาตลอดหนึ่งรอยปีหนึ่งรอยปีเลยนะไม่ใช่แค่ช่วงชีวิตของท่านนะเจ่อะอก็ยังใช้บุญคุณนี้ไม่หมดอืเจ้าคะทำไมมันจะมากมายขนานดะนี้บางคนสงสยัยเจค่ะมันจะไม่ให้มากมายได้ยงไงอะ่ะเอาดูอย่างตอนนี้คุณมีอะไรบ้างในชีวิตพูดมานะมีรถไหมมีบ้านไหมมีเงินไหม ม, ไห ม, มีเงินในกระเป๋บบาต้เท่าไหร่มีความสุขในชีวิตจะอะไรบ้าง ที่มันมีทั้งหมดมาเนี่ยไม่ใช่พพ่อแม่หรอเอาทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าพ่อแม่ทําให้เรามีไายนี้ไงเจ้าคะ่ะทำให้เรามีไายนี้เนี่ยทำให้เราหาความสุขอย่างนี้ได้ทั้งหมดก็จะไหมคือถ้าเราไม่มีไายนี้คือเราจบเลยตั้งแต่วันแรกแล่ะเจ้คะ่ะเราไม่เกิดมาเลยนะเจ้คเาคอะเราไม่มี<จ>ความสุขอย่างที่เราได้อยู่ในทุกวันนี้นะไม่มีเลยนะถ้าไม่มีมันดาบิดาเอาพูดง่ายๆดีกว่าของที่คุณมีอยู่ทั้งหมดทุกวันเนี้เป็นของท่านนะเป็นของมารดาบิดานะ เพราะถ้าไม่มีท่านคุณไม่มีนะอืมถูกต้องเจ้าค่ะมีมีเห็น ม, ม, มีผลนะคุณตนใจว่านะอืมถูกต้องเจ้าค่ะถูกต้อ ง, องยมเห็นด้วยเจ้าค่ะและ้วอย่างอย่างเนี้ยอาจจะมาจะพูดอย่างงี้สมมติเวลาคุณเดินไปบนถนนเนี้ข้ามถนนอย่างเงี้ยปรากฏว่าคุณเดินเดินไปไม่ทันดูรถจะมาชนปุ๊บมีบุคคลหนึ่งวาบเข้ามาควาคุณออกมาได้เชียดตายบุดวิดโอ้โหยอาการที่เราเฉียดตายขนาดนี้เนี่ยเราเรียกว่าชีวิตที่เราอยู่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อคนนี้เลยเขาช่วยชีวิตเราจากความตาย อืมเจ้าค่ะนะเราเราช่วยขนาดนี้แล้วในชาตินี้นะโอ้เราเป็นหนี้บุญคุณของบุคนนี้มากมเลยจริงๆแล้วเขาจะเรียกร้องอะไรเราต้องให้เลยเราว่าชีวิตที่เหลือทั้งหมดของคุณเป็นของเขาอืมเจ้าค่ะอันนี้เราพูดถึงมารดาบิดานะเพราะเขาให้ชีวิตคุณมาตั้งแต่แรกเขาช่วยชีวิตคุณตั้งแต่ตอนที่คุณเกิดเมื่อคุณตายไปแล้วอืมเจ้าค่ะไม่ใช่แค่รอบเดียวหลายรอบด้วยนะเจตอนที่คุณอยู่โรงพยาบาลไม่มีใครอุ้ม ช, ชูดูแลทําไงอะ่ะโห้ยมีบุญคุณมากตอนนี้คุณป่วยอะ่ะจะตายอยู่แล้วอะ่ะ เด็กไม่ป่วยไม่มีหรอกเด็กมันก็ไอเด็กมันก็รอ้นรอนเด็กมันก็หิวโอ้ยหิ ว, ว ค, คุณมานาบิดาหาข้าวให้นะอ<ม>เลี้ยง<ช>ดูมาทุกวันทุกวันเนี่ยโอ้โหมันมันมีบุญคุณมากเลยช่วยชีวิตเรามาทุกวันทุกวันจนกระทั่งเราเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยน้ำประศรีกี่ครั้ง อ, อ่ะกี่ครั้งอ่ะโอ้โหมันมันช่วยกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะหรือก็นับครั้งไม่ทั่วนะเจ้าค่ะเพราะนั้นเรามีเป็นหนี้บุญคุณมากจริงๆมานาบิดาเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้ว แล้วในการตอบแทนเนี่ยด้วยสิ่งของใดๆเนี่ยมันไม่มีทางมีคุณค่าได้เลยอย่างตอนเด็กๆ เ, เอา้าลูกโกรธลูกโกรธลูกไม่พอใจลูกร้องไห้ลูกร้องไ ห, ห้นะตอนที่เด็กมันยังไม่รู้เรื่องอะไรร้องไห้แงหิวข้าวก็ร้องตื่นตนมาไม่เจอใครกอร้ อ, รองแต่แม่ก็มีความรักความเมตตาตลอด <Okay. S 1> ไม่ดาลูกไม่ตีลูกนะลูกต้องการอะไรก็จัดหาให้จิตแบบนี้นี่หาไม่ได้นะดูอย่างเอางี้ คุณออกไปนอกบ้านแนะคุณทําตัวบ้าๆบอๆเดี๋ยวคนเขาก็โทรเรียกตํารวจมาจัจบจะเพราะว่าเขาไม่ได้มีความรักเ ร, กรกาเออไม่ได้รักเราอ่ะแล้วเขาเราไปด่าคนอื่นสิไม่ทันไรเดี๋ยวเขาก็ด่าคุณตอบคุณไปทํำร้ายคนอื่นสิโชคหน้าคนอื่นเดี๋ยวเขาก็ทำร้ายคุณตอบแต่ลูกนี่แม่ไม่เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ไม่เป็นอย่างนั้นค่ะให้ลูกมันเลวร้ายชั่วช้าลามกขนาดไหนพ่อแม่ก็ยังรักจิตใจแบบนี้มิหาไม่ได้ที่ไหนคุณเดินใจนึ่ออกปะจูกค่ะ ไม่ใช่ว่าค น, นคที่แบบคนที่แบบคนไม่มีอะไรมันจะมาทําได้ยังไงเพราะแม่นี่ประเสริฐมากๆเลยเป็นเรียกว่าเป็นเป็นบุคคลที่ดีมากมากนะเป็นเป็นพรมของลูกเป็นอริยะบุคคลของลูกพระุทธเจ้าบอก่างนี้บอกว่าในสกุลใดเนี่ยในสกุลใดเนี่ยมารดาปิดาได้รับการบูชาเนี่ยสกุล น, นั้นชื่อว่ามีป่าหุนอรยบุคคลนั่นคือพรุทธเจ้าพูดถึงปาหุนยอบุคคลป่าหุเนี่บุคคลทักยินอรบุคคลอัญเชิีกันลยนี่บุคคลถูกไหม พูดถึงอริยะบุคคล4อย่างเนี่ยนะที่ควรจะทํา4อย่างนี้เนี่ยคือการกราบไหว้การบูชาการให้ทักษิณาทานการประคองอัญชลีเนี่ยสอย่างเนี่ยถ้าเราทํา4อย่างนี้กับมารดาบิดาของเราสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุเนยบุคคลสกุลนั้นชื่อว่ามีปะหุเนียบุคคลสกุลนั้นชื่อว่ามีทักกินนยบุคคลสกุลนั้นชื่อว่ามีอัญชลีกรัรเนียบุคลคลนี่เราจะพูดถึงน ะ, ะเอาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเนี่ย เสด็จไปที่ไหนเนี่ยอุยคนยกมือไหว้คนกราบกรานคนต้อนรับเสด็จนะนึกนออกไหมเพราะว่าความที่ที่ท่านเป็นพระเจ้าเอ่อเป็นเป็นพระเจ้าอยู่หัวคุณแต่ใจนึก อ, ออกใช่ไหมเจค่ะอ่าทีนี้ว่าอย่าง พ, พ่อแม่ของเราเนี่ยยิ่งกว่าพระเจ้าจะกระพาบของเราอีกนะเราควรจะต้องกราบกรา น, นรพูดกับท่านก็ประนมมือคุณกราบพระกี่รอบสารอบใช่ไหมคุณต้องกราบพ่อแม่มากกว่านั้นอเอาพูดงี้ดีวกว่าเพราะพ่อแม่มีบุญคุณมากกว่านะ ร้อเหลือเลยจริงนะ่คะนี่พูดมาจนจะหมดเวลาเรื่องพูดบุญคุณพ่อแม่ไม่หมดแล้วไม่รู้จะตอบแทนยังไงคุณนันใจเค่ะเอาไว้ว่าวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นที่ว่าเราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยังไงในเวลาที่เหลือตรงนี้นะเจ้าค่ะว่าด้วยการตอบแทนอย่างที่ว่าไปสองลักษณะนะเอาทรัพย์สมบัติมาให้ไม่ได้เอาใช้แรงงานแบกขึ้นบนบ่าก็ไม่ได้ไม่พอไม่คุ้มชดเชยกันไม่ได้นะต้องถ้าท่านไม่มีศีลเราต้องให้ท่านมีศีลถ้าท่านไม่มีศรัทธาเราต้องท่านให้มีศรัทธา ถ้าท่าไม่มีจาคะไม่รู้จักการให้การบริจาคเราต้องให้ท่านมีการให้การบริจาคถ้าท่านไม่มีปัญญาเราต้องให้ท่านมีปัญญาอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนที่เสมอกัน <Okay. S 1> พอจะเสมอกันบุชช า, าใช้คำประมาณนี้ว่าพอที่จะทดแทนกันได้ <Okay. S 1> เพราะว่าสี่อย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านไปมีความสุขในภพต่อๆไปคือคนที่เป็นมารดาปิดาอายุมากแล้วเนี่ยนะมันก็ <Okay. S 1> ใกล้บรรลัยชีวิตใช่ไหม <Okay. S 1> เขาจะมีที่พึ่ง ห, หรือไม่เนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญ นะศรัท ธ, ธาจาคะศีลปัญญาสี่อย่างเนี้ยจะเป็นที่พึ่งของท่านได้ในเวลาที่ท่านล่วงรับโลกนี้ไปแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกุนชลบายนิดนึงอะนะมานาบิดาเนี่ยท่านไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปเถียงอย่าไปดา่าอย่าไปว่านะเราจะเสื่อมเองเราจะเสียเองนะคนที่ด่าว่าพ่อแม่ไม่ดีนะไม่ว่าท่านจะไม่ดียังไงก็แล้วแต่เราอดทนไว้ท่านจะเป็นคนไม่มีศีลเรายิ่งต้องหาทางทําให้ท่านเป็นคนมีศีล จกค่ะนี่ต้องเป็นต้องทำอย่างนี้นะจกค่ะ ก็คือวันนี้อาจจะเวลาเราน้อยนะเจ้าค่ะเราอาจจะคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าเพราะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็จะมีช่วงอาเซอร์ลาวานะเจ้าคะก็คิดว่าวันนี้สรุปกันได้ว่าพระคุณของของคุณพ่อคุณแม่นั้นสูงส่งเหลือเกินแล้วก็พระอาจารย์ไพบูุญพภิปุโนท่านได้ทิ้งไว้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่จะทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เราได้นั้นก็คือการที่เราจะทําให้ท่านมีศีลให้ท่านมีศรัทธามีจาระมีปัญญา ถาหาท่านไม่มีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งสี่อย่างคือสิ่งที่จะนําท่านไปสู่นิพพานหรือสิ่งที่ดีที่สุดต่อไปนะเจ้าค่ะถูกต้องเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันนี้คงจะต้องลากันเพียงแค่นี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องนี้ต่อในวันเสาร์อาทิตย์หน้าดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาไ้ได้ได้ได้สาธุเจ้าค่ะสำหรับวันนี้เรากราบลาพระอาจารย์เป็นบุญอภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบน้มพักการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะ